รายละเอียดจะเป็นอย่างไรขอเชิญพบกับบทสัมภาษณ์พระอาจาร ย, ย์ไพศาลวิสาโรต่อจากเมื่อวานนี้ได้เลยค่ะมีมะอีกกรณีหนึ่งเมื่อกี้พระอาจารย์ยังไม่ได้ตอบอี ก, อ, กอีกขั้นตอนหนึ่งก็คือในกรณีที่ผู้นั้นปฏิบัติได้สูงกว่าเราไม่ถึงเป็นอายะมากอาจจะไม่ใช่อายะแต่ว่าปฏิบัตินธรรมะเนี่ยเขามากกว่าเราแล้วตรงนั้นเนี่ย เราควรจะเข้าไปในลักษณะยังไงอยู่เฉยๆหรือว่ายังไง ก, กั บ, ก, บกับช่วงที่อาจจะเป็นครูบาอาจารย์หรือใครที่<ม>ที่จะมีใกล้ๆจะหมดเนี่ยช่วงนั้นเนี่ยคนที่อยู่ใกล้จิตคุณจะปฏิบัติตัวยังไงเจ้าคะ่ะก็ควรอยู่ในความสงบนะแล้วก็ปฏิบัติธรรมน้อมจิตให้สงบด้วยเพราะว่าให้ถือว่าสิ่งที่กลังเกิดขึ้นกับครูบาอาจารย์เนี่ย ก็เป็นเป็นสัญญาณเตือนให้เราตระหนักถึงความไม่เที่ยงของสังขาร<ม>ให้ถือว่าท่านกำลังมาแสดงธรรมครั้งสุดท้ายให้แก่เรา<ม>นะแล้วก็เพราะฉะนั้นเนี่ยให้เราน้อมรับธรร ม, มานั้นด้วยใจที่มีสติไม่ไม่ต้องเศร้าโศกเสียใจ<ม>แล้วก็เราเลือกว่าสักวันหนึ่งเราก็ต้องเป็นอย่างนั้นนะให้เป็นเครื่องเตือนใจนะว่า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 การชี้แนะอะไรจากเราใช่ค่ะแต่เราควรจะน้อมรับหรือเปิดใจรับเอาธรรมะจากท่าน mm hmm. ในฐานะที่เป็นสื่อแสดงธรรมขั้นสูงสุดแล้วก็คือความไม่เที่ยงชีวิตที่มันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนใช่ค่ะคือเวลาที่จะเข้าไปใกล้เนี่ยต่อให้ท่านทำสมาธิหรือยังไงไอ้คือท่านท่านหลับตายยังไงเนี่ยต้องมีการบอกกล่าว สักนิดหนึ่งบางทีเห็นเห็นท่านนอนหรืออะไรอย่างเงี้ยบางทีจะเข้าไปเช็ดเนื้อเช็ดตัวหรือทำอะไรก็แล้วแต่ที่จะปริบัต ท, ท่านเนี่ยบางครั้งนี่ท่านกำลังกาลังปฏิบัติอยู่กำลังเจริญภาวนาอยู่เนี่ยตรงนั้นเนี่ยอยากว่าหลายๆคนก็ต้องระวังนิดนึงที่จะเข้าไปก็บอกสักนิดเหมือนเหมือนเรากำลังทำสมาธิอ่ะอยู่ๆ อ, อีกคนมา เธอแบบมันสะดุ้งอะนึกนึถึงเราเองอะต้องค่อยๆสำหรับตัวตัวโยมเองก็คิดว่าตรงนี้ก็สําคัญในการที่จะเข้าไปเข้าหาหรืออะไรอย่าไปคิดว่าท่านหลับอยู่หรืออะไรหรือแม้แต่คนปกติก็เหมือนกันนะเจ้าคะถ้าไม่บอกเขาบางครั้งเขากําลังกําลังทำทำอยู่กำลังกำลังกำหนดพุทโธบางคนบอกเขากําลังกําหนดอยู่แล้วพุทโธอยู่อะไม่ต้องมามาบอกอะไรเขามากมายอะไรอย่างเงี้ย ก็ต้องเป็นความสังเกตของของคนที่จะเข้าไปด้วยอ่ะเจ้าค่ ะ, ะแล้วแล้วคือคนที่จะต้องทุรนทุรายมั้งคะที่เราจะต้องไปบอกทางแต่คนที่สงบอยู่แล้วเราไม่จําเป็นต้องบอกหรือหรื อ, ร อ, อยังไงคะก็ก็ช่วยก็ดีอันนี้เหมือนคนทั่วไปน ะ, ะถ้าเราช่วยเป็นเป็นเป็นกำลังใจให้กับเขาหรือว่าช่วยตือนเตือนสติให้ให้กับเขา ก็จะดีและที่จริงมันก็เป็นประโยชน์ต่อคนอื่นด้วยหมายคนที่อยู่แวดล้อมนะเพราะว่าการช่วยเหลือผู้ป่วยอย่างสงบเนี่ยมันไม่ใช่แค่ช่วยผู้ตายอย่างเดียวหรือช่วยคนไข้อย่างเดียวแต่ว่าเป็นการเยียวยาของผู้ที่ยังอยู่ด้วยทำให้เขารู้สึกเขาได้ได้ได้พิจารณาและจิตใจเขาก็เกิดความสงบและขณะเดียวกันเขาก็ได้เกิดความน้อมนึในสิ่งที่เป็นกุศลด้วย มันเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่ายนะแล้วตอนนี้ยังในหลักการที่พระอาจารย์ว่ามาสิ่งที่ท่านเน้นข้อแรกเลยที่เห็นบอปลดเปลื้องสิ่งค้างคาใจแล้วก็ถ้าระดับนึงที่สูงขึ้นไปคือให้เขาปล่อยวางให้ได้อตอนนี้นอกจากที่ท่านบอกว่านอกจากนั้นให้น้อมนึกถึงสิ่งที่ดีง่ะไอ้ไอที่พูดมาทั้งหมดเนี่ย อยู่ในในหลักการในโครงการของท่านเลยและที่ข้อหนึ่งที่ท่านจะเขียนเอาไว้คือในกลุ่มพวกนั้นต้องให้ความรักและก็ความเห็นอกเห็นใจตรงนี้สาคัญสำหรับคนใกล้ตายใช่เพราะว่าคนป่วยนี่นะที่จริงไม่ใช่เฉพาคนใกล้ตายเดียคนป่วยป่วยหนักเขาเขาไม่ได้แค่ป่วยกายเขาป่วยใจจ้ะค่ะบางคนบางคนไม่ยอมรับะ มันยัง<ช>ยอมรับความตายก็ไม่ได้ใ่ะอันนี้แหละที่เราเรียกว่าความความป่วยกายอะป่วยใจใที่จริงมันเป็นกับทุกคนนะเราป่วยเนี่ยปวยหัวตัวร้อนเป็นไข้เป็นหวัดนะเราไม่ได้ป่วยกายเนี่ยเราป่วยใจป่วยใจหมายถึงวอะไรหมายถึงความกังวลความเครียดความกลัวความหงุดหงิดรวมทั้งความโกรธแล้วคนที่ป่วยหนักหรือผู้ป่วยยะสุดท้ายเนี่ยก็จะมีอาการตรงนี้มาก บางทีมันอาการมันมากกว่าเรื่องของของกายสิเราคงได้ยินนะคนที่หมอบอกว่าป่วยหนักเนี่ยก็ยังอยู่ได้นะแต่พอหมอบอกว่าคุณเป็นมะเร็งน ะ, ะคุณจะอยู่ได้ไม่เกินสามเดือนก็จริงๆค่ะปรากว่าสิบสองวันก็ตายแล้วแปกเดียวเลยค่ะจากกำลังดีๆสุดเลยเจ้าค่ะไอ้ที่ตายเนี่ยไอ้ที่ทำให้ตายนี่ไม่ใช่ไม่ใช่โรคมะเร็งนะเพราะโรคมะเร็งเนี่ยสามเดือน แต่ว่าป่วยใจใจใจใจเสียแล้วงเนี้ยพอพอพระอาจารย์ว่ามันมีบอกว่าจะให้บอกไหมว่าคนนี้เป็นอะไรจะบอกไหมว่าคนนี้เป็นมะเร็งไหมจะบอกเ้าตอนไหนดีคะคะออันนี้ก่อนทจะถึงตองนั้นเนี่ยพูดเรื่องความรักก่อนเอาความรักเจ้าค่ะเพราะว่าครนี้คนเราป่วยป่วยใจนี่นะความกลัวกลัวว่าจะตายคนเดียว ตายโดยที่ไม่มีใครอยู่กลัวว่าจะเป็นพานล่าให้กับลูกหลานกลัวว่าเขาต้องมามาทําโดยไม่มีความเต็มใจอันนี้เนี่ยความกลัวตรงนี้เนี่ยมันจะมาลายหายไปถ้าเขามั่นใจว่าเราดูแลเขาด้วยความรักและเราไม่คิดว่าเขาคือพาล่าของเราเขาสัมผัสได้อใช่และเราเนี่ยนะ พร้อมที่อยู่เขาจนถึงนาทีสุดท้ายทุกคนหวั ง, งอย่างนั้นนะจะถ้าผู้ป่วยเนี่ย <c oughs> เขามีความมั่นใจจากคนไข้ <c oughs> เขาจะเบาเขาจะสบายมากขึ้นกว่าเดิม <c oughs> ซึ่งตรงนี้เนี่ยนะมันไม่มียาอะไร <c oughs> ที่จะช่วยเขาได้แต่เป็นสิ่งเดียวที่ญาติเนี่ยสามารถจะทําได้ดีดีกว่าหมอและพยาบาลคือการให้ความรักให้ความมั่นใจแก่คนไข้ว่าเราจะอยู่กับเขา อย่างถึงน้าที่สุดท้ายแล้วเราจะเป็นเพื่อเขาโดยที่เราไม่สวรเป็นภาลากับเขาจริงเรานี่ไม่จำเป็นต้องพูดให้ไผ่ล้อแต่ทำด้วยการกระทาด้วยแววตาด้วยการสัมผัสที่นุ่มนวลแล้วก็ด้วยความอดทนต่ออารมณ์ของเขาอันนี้สำคัญมากเลยนะเพราะว่าคนไข้เนี่ยเขาจะกลายเกรี้ยกล่้มจมูกเย็เยน ไ, ไม่ต้องมาดูแลชมแ จ, จริ ง, จ ร, งจริงอะ อยากให้ไปอยู่ใกล้ๆเขาก็จะกลายเกี่าทําไมต้องเป็นชั้นเจ้าค่ะทำไมต้องเป็นชั้นทําไมไม่เป็นคนอื่นความรู้สึกว่าเขาเป็นเรื่องความเป็นธรรมเขาทําความดีมาตลอดแต่ทําไมถึงเป็นชั้นนี่คือปัญหาของของคนไข้ซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาจะแสดงออกมาด้วยความโกรความหหงิดแต่คนนี้ถ้าเกิดว่าญาตเนี่ยมีความมีความรักมีความอดทนไม่ว่าเขาจะระบายออกมายังไงก็นิ่งอดสงบได้ ตรงนี้จะช่วยช่วยให้คนไข้เนี่ยเขาเริ่มสงบลงความสงบของเราเป็นกระจกสะท้อนในเขาเนี่ยเห็นถึงตัวเขาเองว่าเขาเนี่ยกําลังอาละวาดและเมื่อเขาเห็นตัวเองเขาก็จะสงบลงได้ความสงบเนี่ยมันเรียกว่าสงบสยบความเคลื่อนไหวหรือสงบสยบความโกรธที่สำคัญเนี่ยเพราะนั่นเนี่ย <c oughs> <ช>แล้วเมื่อเขา <c oughs> ความโกรธเขาบรรเทาเนี่ยจิตใจเขาจะดีขึ้นเขาจะ จะปวดน้อยลงเพราะถ้าเขาโกรธเนี่ย<ม>เขาจะปวดน่วนปวดนี่สารพัดปวดหัวร่างกายมีอาการทุรนทุราย<ม>แต่พอเรามีความรักให้แกเขาเนี่ย<ม>เขาจะเย็นลงสงบลงนี่<ม><ม>ข้อที่หนึ่งค่ะซึ่งแสดงด้วยการสัมผัสเดือดแววตาบางคนบอกพูดเพราะเพราะ<ม>แต่มือนี่แบบไม่จับ<ม>แบบแล้วหน้าที่สําคัญคือบางคนเนี่ยตัวเขาเนี่ยเนื้อตัวเขาไม่น่าจับอ่ะเราญาติไปแสดงความรังเกียจ ให้เห็นเลยโรคเอสคือถ้าถ้าทุกคนแบบอยากจะช่วยอ่ะแต่แบบดูแบบไกลๆอ่ะไม่อยากจะเข้าไปแตะไปต้องเขาเขาก็รู้สึกใช่ค่ะ<ๆ>แล้วความรู้สึกว่าเขาเป็นที่รังเกียจนี่จะทําให้เขาตายเร็ว ม, มากกว่ามากกว่าโรคเหลือเนื้อร้ายคร น, นี้การให้ความรักสําคัญมากนะเราจะความรัการการให้ความรักและอีกอย่างนึงที่ช่วยการช่วยทําให้เขาเนี่ยยอมรับความจริง ว่าเขากําลังเป็นโรคร้ายหรือว่าเขากําลังมีเวลาอยู่ไม่นานมันสาคัญยังไงมันสำคัญก็เพราะว่าเมื่อถ้าเขารู้ว่าเขาจะต้องตายเนี่ยก็มีโอกาสที่เขาจะได้สั่งเสียมีโอกาสที่เขาจะได้สาสตรสางความในใจและเป็นโอกาสาที่ลูกหลานจะได้พูดเรื่องลึกๆ ก, กับเขาไ ด, ได้ขอโทษได้ขอาขมาแต่สิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าคนไข้อ ย, ยังคิดว่าเขายังอยู่เขาจะยังไม่ตายคนไข้คิดว่าฉันไม่ได้เป็นมะเร็งแต่ฉันเป็นแค่โรคปอด ถ้าคนไข้คิดแบบนี้เนี่ยลูกหลานจะไปขอขามาไปขออาภัยก็พูดไม่ได้ ค, คนไข้เขาจะพูดเรื่องลึกๆเขาก็ไม่มีโอกาสที่จะพูดไม่มีโอกาสปิดเปลื้องสิ่งข้างกาดใจการที่ทำให้เขาเนี่ยยอมรับความจริงเนี่ยไม่ทําทำให้เขามีเวลาเตรียมตัวสำหรับงานการภายนอกเฉลือง เรื่องธุรกิจเรื่องบริษัทเรื่องมรดกแล้วก็งานการภายในคือเตรียมใจนะแต่ว่าการที่จะพูดให้เขาได้รู้ว่าเวลาเขาอยู่ในในโลกนี้ไม่นานเนี่ยก็ต้องมีวิธีการ <c oughs> อยู่ดีไปพูดว่า <c oughs> ป้าป้าเป็นมะเร็งนะ <c oughs> ป้าอยู่ได้อยู่ได้ไม่เกิน3เดือนนะ <c oughs> <c oughs> นี่คือการฆ่าเขาทางอ้อม <c oughs> แล้วก็มักจะเกิดขึ้นเพราะว่าหมอหรือพยาบาลส่วนใหญ่ไม่จะเกิดขึ้นกับหมอไม่มีศิล ป, ปะ ใช่ค่ะวิธีการเนี่ยนะอันที่หนึ่งก็คือว่าต้องไค่อยหย่อนค่อยๆพูดเแล้วก็ประเมินเขาไปในตัวเช่นว่าอป้าโรคที่ป้าเป็นนี่มันรักษายากนะอตอนนี้ยังไม่มียารักษาเอาเริ่มๆดูแล้วก็ดูเขาคิดยังไงเขาลูกสิลยังไงใช่ไหมใช่ไหมค่อยๆย่อยให้เขาให้เขาได้เตรียมใจแล้วก็เป็นโอกาสประเมินว่าเขารับความจริงได้แค่ไหนอืใช่ไหม ล้วก็บอกว่าเนี่ยไอ้ไอโรคที่รักษานี่มันรักษาได้ยากนะแต่ว่าเราก็จะพยายามเต็มที่ใ ช, ใช่ไหมถ้าเขาเขาทำทำใจได้บ้างแล้วเนี่ยก็จะพูดต่อไปว่าไอ้โรคนี้เนี่ยมันอาจจะตอนนี้ไม่มียารักษาเลยใช่ไหแต่ว่าทางหมอและพยาบาลก็จะพยายามช่วยดูแลป้าอย่างเต็มที่นะแล้วเขาเริ่มเริ่มยอมรับได้มากขึ้นก็จะบอกว่าเนี่ยอันนี้เป็นมะเร็งนะแต่ ก็ต้องพูดได้เขามั่นใจว่าหมอพยาบาลและคนไข้ก็จะช่วยเขาเต็มที่จ ะ, ะจะช่วยให้แม่เข า, เาให้เขาได้อยู่อย่างมีคุณภาพชีวิตด้มากที่สุดนะคือเนี้ยมันก็ค่อยพูดและประเมินเขาเป็ น, นตัวกาค่อยพูดนี่ไม่ใช่วันที่หนึ่งพูดอันนี้วันที่สไม่ใช่นะ คือต้องดูดูว่าเขารับได้แค่ไหนเรายอดคําพูดย้อนเอ๊ยยังรับไม่ได้อีกอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งคาพูดใหม่ไปเอาเอาลองแยบลงไปซ้าซ้ำแล้วดูดูเขาว่าไปได้แค่ไหนแล้วก็อาจจะถามเขาอแม่เตียงข้างนั้นเตียงเตียงน้นเขานะเขาก็เป็นมัเร็งก์นะแล้วเราประเมินดูว่าแล้วแล้วเราตัวคนไข้ของเราดุสียังไงใช่ไหม คือเนี้ยคือบางทีการการถามหรือว่าถามไม่ว่าเนี่ยเตรียมใจไว้บ้างไหมหรือไม่ลองดูซิ<ถ>ว่าทัศนคติต่อความตายของเขงนเนี่ยเขาคิดยังไงอเอ๊ะเขายังรับได้หรือเปล่ายอมรับมีความคิดอย่างนี้อยู่ในหัวเขาหรือเปล่าบางคนบอกอบอก็ไม่มีความคิดนี้อยู่เลยไม่ต้องมาพูดตาม น, นี้นแต่ว่าเรืกก่องนี้เนี้ย ถึงเขาไม่ถึงถ้าเกิดว่าเขามีเป็นผู้ป่วยราสุดท้ายนะถึงหมอพยาบาลไม่บอกเขาวันนี้เขารู้ได้ความเจ็บปวดมันมีเขารู้จักอาการปฏิกิริยาของญานิมิของพยาบาลรอบขังเลื่อนมาหมอผิดปกติหรือน้ําตาเริ่มแดงตาเริ่มแดงแดงหมอเนี่ยเริ่มมาแล้วมาประเดี๋ยวประดาก็ไปอหมอนี่ไม่ค่อยจะไม่รักษาล้วแล้วหมอเนี่ยจะมาแบบ หมอแบบมาปุ๊บไปปั๊บเจออ่ค่ะทำไมเป็นอย่างนั้นหมอหลายคนบอกว่ากลัวว่าเขาถามก็ไม่อยากโกหกแต่ถ้าอยากตอบก็ตอบไม่ได้ใจนะว่าทําไมคุณหมอมาเล็วรีบไปหมอรีบหมอกลัวโดนถามแล้วก็ตอบไม่ได้เจออค่ะนี่คนไข้เขาก็รู้ออืคนไข้ก็รู้ใช่ไหมปฏิกิริยาเขารู้เขาเขาอยู่บนเตียงยี่สิบสี่ชั่วโมงเนี่ยเขาตื่นมาวันสักสิบสองชั่วโมงเขาสังเกตปฏิกิริยาที่เปลี่ยนไป ของญาติมิตรของคนไข้ของพยาบาลแล้วเขาอาจจะคิดว่าญาติๆคงไม่พร้อมที่จะคงยังรับเรื่องนี้ไม่ได้ว่าเขาจะตายอืมเพราะฉะนั้นเขาก็เลยไม่พูดอาจจะไม่ข้อา จ, จะยอมรับได้แต่เขาไม่กล้ายกประเด็นนี้ขึ้นมาคุยว่าถ้าฉันตายจะทํำยังไงกันดีสั่งเสียยังไมงมรดกยังไไม่กล้าพูดเพราะเห็นญาติๆเนี่ยทําท่าจะไม่อยากพูดเรื่องนี้ คือพูดง่ต่างคนต่างคิดแทนกันยาก็คิดว่าคนไข้เนี่ยคงอยอมละความจ<า>ริงไม่ได้ส่วนคนไข้ก็บอกว่าญานี่คงจะทําใจไม่ได้เพราะฉันก็ไ ม, ไม่ไม่พูดเรื่องนี้ออก็เรียกว่าตายบางทีตายแบบที่ว่ามีเรื่องอย่าพูดแต่ไม่พูดเนี่ยตมาคิดว่าเรื่องการทําให้เขาอยาอมละความจริงสําคัญแต่ว่าอันนี้ถ้ามันต้องมีวิธีการพูดถ้าพูดไม่เป็นเนี่ย อย่าพูดดีกว่ามาไดไงเขาตามดว่าอย่งน้อยใช้สัมผัสการดูแลถ้าเรารู้ว่าเราพูดไม่ได้นะฮะสัมผัสหรือกิริยาที่เราเข้าไปดูแลเนี่ยเขาสื่อถ่ายทอดได้อืมหรือมันจะไปปลอบซะหน่อยทําให้เขาเอาพูดอะไรไปเลยวิวัฒน์ศิลปะศิลปะทางจิตวิทยาด้วยก็แต่ว่ามันเป็นเรื่องของสมันสํานึกนะเราลองนึกว่าตลอดเป็นเขาเนี่ยจะเป็นอย่างไร บางทีจะไปนึกว่าต้องอาศัยคนที่มีวาจาไพเราะหรือว่ามีคนเป็นช่างพูดแต่ว่าเรารู้ว่าเราสามารถประเมินเขาได้ว่าเขาพร้อมจะรับความจริงได้แค่ไหนแล้วขณะเดียวกันเราก็ถ้าเราให้ความรักกับเขามันก็เป็นหลักประกรันได้ชั้นหนึ่งว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับเขาเขายังมีเพื่อนเขาจะมีคนช่วยเขาอยู่อันนี้พูดคนทั่วไปนะแต่คนนักพนที่เป็นนักปฏิบัติธรรมบางทีก็ ก็ตกก็ต้องการตรงนี้นะเนี่ยตรงนี้สําคัญนะเสร็จแล้วเนี่ยเราค่อยแต่ว่าถ้าตรงนี้ยังยั ง, ย, งยังพูดเขาไม่ได้อย่างน้อยเนี่ยก็ให้เขานึกถึงสิ่งที่ดีงามการที่ช่วยให้เขาน้อมนึกถึงสิ่งที่ดีงามเนี่ยอย่างทีเทตมาได้พูดยกตัวอย่างมาเนี่ยมันจะช่วยทําให้เขาได้จิตใจเกิดเป็นกุศลจิตใจเกิดความรู้สึกสงบมากขึ้น แล้วเขามีเรื่องค้างคาใจอะไรก็พยายามช่วยเขาปลดเปื้องสิ่งค้างคาใจอย่าทําให้แล้อย่าไปหาอย่าไปทําให้เขาเกิดความกังวลเพิ่มเติมไปร้องโหมร้องไห้ต่อหน้าเขาหรือว่าไปทําให้เขารู้สึกว่าถ้าเขาตายไปก็อย่าสร้างความทุกข์ให้แก่คนอื่นอ่าทําให้เขารู้สึกนั้นให้เขารู้ว่าถ้าเขาอย่าตายเขาก็จะคนหนึ่งก็จะอยู่ได้คนหนึ่งก็จะ ไม่ทาให้เขาเป็นห่วงนะแต่นะไอ้การผัดพลากอะค่ะมันภ า, า, าวะวจิตตรงนั้นมันทําให้เหมือนเป็นเรื่องใหญ่มากกว่าทุกสิ่งทุกอย่างเลยคือทั้งญาติแล้วก็ผู้ป่วยค่ะสําคัญญาตทาใจไม่ได้ <laughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยเราถึงต้องต้องฝึกอยู่เสมอในชีวิตประจำวันพิจารณามรานัสติอยู่เสมออย่าไปเตรียมตัวเอาเมื่อเกิดเหตุายกับ เราหรือกับคนลกของเราแล้วถึงค่อยมาเตรียมอันนี้เรียกว่าประมาทใช่ั้ยเราควรจะเตรียมควรจะระลึกอยู่ตรงนี้อยู่เสมอการไปงานศพของคนที่เรารักคนที่เราคน ร, รบเนี่ยก็เป็นเครื่องเตือนใจเราว่าสวรรค์หนึ่งคนักของเราก็จะเป็นอย่างนั้นและเราก็จะเป็นอย่างนั้นด้วยไปงานศพแทนที่จะเอาแต่คุยกันเนี่ยให้เราเปิดใจน้อมนึกน้อมรับธรรมะจากจากผู้ตายมันก็ทาให้เราเกิดความขนขว่เนี่ย แล้วให้อตมาให้คิดว่าเกิดอะไรขึ้นกับเราเนี่ยไม่ว่าโดยเพราะเวลาเราประสบสิ่งไม่พึงปรารถนาเนี่ยขอให้เรายงไปถึงเรื่องความตายมันจะช่วยได้เช่นเงินหายร้อยบาทโทรศัพท์มือถือหายนะคนก็ทุกข์ทรมานเสียใจแต่เราลองนึกซสว่าโอนี่ยังดีนะเพราะต่อไปเราต้องเจ อ, อยิ่งกว่า น, นี้ถ้าเราตายเนี่ย เรามีร0อยล้านเราก็หมดร้อยล้านเรามี10ล้านเราก็หมดทั้ง10ล้านเลยไอเราจะรู้แล้วไ อ, ไอการที่เงินหายร้อบาทพันบาท1ม0่นบาทหรือล้านบาทเนี่ยเป็นเรื่องจิบจ้อยไปเลยเวลาเรานึกถึงความตายเพราะความตายมันคือสุดยอดของความพัดพลาดใช่ไหมเวลาเจ็บเวลาป่วยเราลองนึกเสีโอ้ถ้าเราตายเนี่ยถ้าเราป่วยหนักนี่ใกล้ตายเราจะเจอยิ่งกว่านี้นะให้เราถือว่า ไอ้สิ่งที่เกิดขึ้นกับเราเป็นสัญญาณเตือนถึงอนิจจังซึ่งมันมีความตายเป็นที่สุดและขณะเดียวกันเป็นการเตือนหรือเป็นบททดสอบว่าถ้าเราแค่นี้เรายังไม่ผ่านเนี่ยเราเราจะเราจะทำยังไงเมื่อเราเจอความตายของเราเองหรือของคนที่เรารลักถ้าเรานึกแบบนี้เนี่ยเงินหายถูกตำหนิถูกวิจารณ์ตกงานเนี่ยมันกลายปเป็นเล็กน้อยไปเลย เพราะมันเทียมไม่ได้กับความตายที่เกิดขึ้นกับเราหรือกับคนรักของเรา <S <S คิดอย่างเนี้นะมันช่วยทําให้เราเนี่ยหนึ่งเราก็จะตระหนักชัดถึงความไม่เที่องชีวิตมากขึ้น <S 1> <S 1> <S 1> สองเราก็จะมีมีภูมิต้านทานต่อความพลัดพรากสูญเสียซึ่งจะทำให้เราเนี่ยพร้อมรับมือกับความตายได้ได้ดีขึ้นนะไม่ใช่ไปไปเตรียมตัวตายอตอน เกิดเหตุร้ายแล้วแล้วสมัยนี้ค่ะจะมีความเชื่อว่าตายแล้วโสนอย่างเงี้ยค่ะควรจะแนะนำเขายังไงคะก็เราไปถีงกับเขาอย่างนี้เนี่ยก็คงจะยากนะแต่ให้เขานึกว่าให้เขาตระหนักว่าคุณจะเชื่อว่าตายแล้วสูนหรือไม่ก็ตามเนี่ยแต่อย่างน้อยเนี่ยตายอย่างสงบเนี่ยดีไหมใช่ทุกคนร้อยร้อยาทั้งก็ คือ ไ, ไม่เชื่อเรื่องสวรรค์ไม่เชื่อเรื่องนรกแต่เขาก็ต้องการใชี่ิตเขาตายไปอย่างสงบเพราะเขาลวกการทุรนทุรายในขณะใกล้ตายนี่มันทรมานแค่ไหนใช่ไหมเงินทองชื่อเสีงยงเกติยศช่วยอะไรไม่ได้เลยถ้าเขาตระหนักว่าการตายอย่างสงบเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญที่คนเราเนี่ยควรจะเข้าถึงให้ได้ก็ให้เขามาฝึกมาเตรียมตัวตรงนั้นเขาไม่ต้องเชื่อเรื่องสวรรค์ก็ไม่ต้องเชื่อเรื่อง เรื่องชาติหน้าก็ได้แต่ถ้าเขาเห็นว่าการตายอย่างสงบเป็นของดีเขาก็จะเห็นความสําคัญของการฝึกเตรียมใจทําความดีนะไม่ทําความชั่วสร้างกุศลเพราะสิ่งเหล่านี้คือพื้นฐานที่นําไปสู่การตายอย่างสงบนะอาตมาคิดว่าเราเอาตรงนี้ก่อนใช่มพระพุทเ mm. จ้าท่านก็ก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เห็นว่าจะต้องไปไปย้ํา หรือไปทำให้คนเชื่อเรื่องนี้เสมอไปอย่างเช่นก็พระองค์เคยตรัสว่าถ้าหากว่าเชื่อเรื่องชาติหน้าแล้วเราทำความดีเราก็ย่อมได้ความสุขทั้งในชาตินี้แล้วก็ชาติหน้าแต่ถ้าชาติหน้าไม่มีการทำความดีของเราก็ทำให้เรามีความสุขในชาตินี้อย่างแน่นอนอย่างน้อยก็ได้ประโยชน์หนึ่งชา้นแล้ว แต่ถ้ามีชา้นหน้าก็ได้ประโยชน์อีกชั้นหนึ่งคือได้ไปสู่สุคติในชั้นหน้าเพราะฉะนั้นไม่สมควรหรือที่เราจะทําความดีถึงแม้ว่าเราจะเชื่อหรือไม่เชื่อเรื่องชา้นหนาก็ตามเพราะยังไงสุดในชา้นนี้ก็ย่อมได้รับประโยชน์จากการทําความดีอยู่แล้วพระเจ้าอธิบายเงี้ยใช่ไหมคือท่านไ ม, ไม่ไม่ต้องมาเสียเวลาที่บ่าต้องมีชาติหน้านะคนต้องทำความดีนะถึงแม้คุณไม่เชื่อคุณทําความดีชั้นนี้คุณก็ได้ประโยชน์อย่างแน่นอนเรื่องการเตรียมตัวตายก็เหมือนกันนะ คุณไม่ไปต้องเชื่อเรื่องชั้นนะแต่มีมีหลักประกันแล้วถ้าคุณเตรียมตัวดีคุณจะไม่ทุรนทุรายคุณจะตายสงบนะซึ่งอาจารย์คิดว่าเศรษฐีร้อยล้านพันล้านก็ต้องการตรงนี้คือตายอย่างสงบเพราะว่าเห็นคนทุรนทุรายแล้วมันมันน่ากลัวพระอาจารย์คือย่างหัวใจคือเท่าที่ฟางมาเนี่ยคือหัวใจหลักในการเจริญสติถือว่าเป็นหลักสําคัญของการเตรียมตัวตายแล้วก็อย่างที่พระอาจารย์บอกว่า บางทีพรุ่งนี้อาจจะมาไม่ถึงเราด้วยซ้ําเพราะาบางทีชาติหน้าอาจจะมาถึงเราก่อนเพราะฉะนั้นการเจริญสติถือว่าเป็นแนวทางที่ดีสําหรับการปฏิบัติตัวในในชีวิตประจําวันของเราใช่ไหมคะอ่าใช่แต่ถ้าพูดอย่างให้ให้ครบถ้วนนะต้องพูดว่าตรายศีขานั่นแหละตรายศีขานศีสมาธิปัญญาศีนี่คือการทําความดีแล้เรื่องความชั่วใช่ไหมฮะถ้าเรามีศีนดีเนี่ยอย่างน้อยเราก็มั่นใจได้ว่าเราไม่ได้สร้างความชั่ว เรามีกุศลเป็นเครื่องหนุนเนื่องชีวิตเราคราวนี้การเจริญสติอยู่ในฝ่ายสมาธิก็คือทำให้จิตเรานี่มีมีสมาธิมีสติดีนะซึ่งเท่านี้เนี่ยมันก็พอจะเป็นหลักประกันได้แล้วว่าเราจะสามารถรเผชิญกับความเจ็บปวดได้ไม่ทุกข์กทุกขเวทนาแต่ท้าดียิ่งกวนั้นก็คือเจริญปัญญาให้เห็นถึงความ ไม่เที่ยงของชีวิตแม้นแนกระทั่งว่าไอตัวตนไม่มีอยู่จริงสามารถเทียบไปพ้นจากความยึดถือในตัวตนในตัวฉันของฉันได้ถ้าถึงตนนี้เนี่ยมันไม่ใช่ตายสงบนะแต่จะเป็นการตายอย่างสว่างนะก็คือว่าสามารถจะหลุดพ้นได้เลยนะมีพระอาหารหันต์หลายท่านเนี่ยในช่วงที่ท่านจะจะไปที่ไปแหล่เนี่ยท่านเกิดปัญญาแลเห็นถึงความ ไม่ทิ้ของสังขารจนกระทั่งท่านประวางสังขารได้ท่านก็ปล่อยวางในชั่วที่กําลังหมดลมนะก็เรียกว่ า, าตายทาั้งทางกายและในทางในทางจิตคื อ, อกิเลสหมดไปในพุษธศาสนาเนี่ยเราเราเราไม่ได้หยุดแค่ว่าตายสงบแต่เราต้องการทําให้เกิดการตายด้วยจิตที่สว่างคือเห็นปัญญานะแต่ว่า อย่างน้อยๆเนี่ยทำไม่ได้ขั้นที่หนึ่งคือการทําความดีนะและถ้าดีกว่านั้นคือว่าการเจริญกรรมฐานคือเจริญสติซึ่งมันทาให้เราเนี่ยสามารถที่เอาชนะความทุกข์ได้คือบางทีทําความดีเนี่ยมันก็ยังทุกข์เวลาเจ็บเวลาป่วยก็ยังทุกข์นะแต่พอเราฝึกสติดีเนี่ยหรือเจริญสมาธิดีเนี่ยบางทีให้ความเจ็บความปวดทางกายเนี่ยมันทําอะไรไม่ได้ยังมีลายหนึ่งเนี่ย จนะเป็นเด็กอายุสิเป็นโรคุ่มพวง s, <SL>. <S ี e, แล้วก็แพ้อาเกิดการแพ้เพราะว่าภูมิุ่มกันในร่างกายมันกัดกินเนื้อเยือ่อในร่างกายจนทั้งไตาวายนะก็ต้องต้องมีการล้างไตล้างไตฟอกเลือดนะแล้วบอกว่ า, าการรักษาบางทีก็ต้องมีการฉีดไปที่กระดูกสันหลังเด็กเห็นเข็มเนี่ยปวด ได้รับความรู้สึกที่ไม่ดีออกจากการรักษาไม่เข็มที่ฉีดเข้ากระดูกสันหลังมันยา ว, ยาวมากาปวดจเจ็บร้องกรีด๊ดนะร้องกรีดเจอเข็มที่ไรจะเป็นลมให้ได้ร้องนะแต่ตอนหลังเนี่ยนะพอแกเริ่มโตขึ้นหน่อยเป็นสาวเนี่ยหมอเนี่ยก็ที่สนใจเรื่องการปฏิบัติธรรมหน่อยก็ชวนให้แกเนี่ยเรื่งปฏิบัติธรรม เดินจงกรมมีสติรู้ตัวปรากว่าพอเจอเข็มเนี่ยแกนิ่งได้นะนิ่งได้นะบางทีเห็นเข็มแทงไปเนี่ยนะเวลาเวลาไม่ด้เข้าสร้างอ ย, อย่างเดียวที่อื่นด้วยเนี่ยแกก็แกแ ก, ก็ไม่กลัวสงบแล้วก็มีคราวนึงเนี่ยจะต้องจะต้องเปลี่ยนไตปรากฏว่าเอ่อแกแพ้ไอยาระงับปวด ก็ปวดสิแล้วก็ระบมทุกทรมานมากเใช่ไหมหมอทําอะไรไม่ถูก oh. เด็กคนนี้เนี่ยตอนนี้เป็นสาวละ mm ่ะ hmm. แกบอกขอพลาเม็ดหนึ่งนะเท่านั้นแหละแล้วแกก็ตามลมหายใจสงบเลยนะฮะ mm hmm. สงบเลยแล้วก็แกก็หลับไป mm hmm. ทั้งที่ไม่ได้ไม่ไม่ได้ทั้งที่ทั้งที่ปวดแล้วก็ระบมอย่างไอยาการแพ้ของยา คือเนี้ยนี่เป็นตัวอย่างของของคนธรรมดาซึ่งเขาพอเขาเจริญสติสแล้วก็ทําสมาธิภาวนาเนี้ยให้ความเจ็บปวดหรือทุก เ, เวทนาทางกายเนี้ยมันเขาก็สามารถเอาชนะได้นะฮะดังนั้นเนี้ยถ้าเกิดว่าเราเวลาเรานึกถึงความตายหรื อ, อนึกถึงการเจ็บปวนนยในระยะสุดท้ายเนี้ยบางทีไอถ้าเราจเจริญ สติสมาธิอย่างสม่าเสมอเนี่ยมันก็ช่วยทำให้เราเราสามารถประเชอรับมือกับมันได้ขั้นขั้นตอนที่เหลือ ท, ท, ที่ท่านยังเหลืออยู่ในการที่จะช่วยคนใกล้าตายนี่ก็คือที่ยังเหลือที่ท่านยังไม่ได้พูดคือการสร้างบรรยากาศแห่งความสงบและการกล่าวคำอำลาจะกล่าวกันตอนไหนอะตอนที่จะใกล้จะไปหรือจะลากันก่อนอยังไงครับเพราะบางทีไปเยี่ยมมากอัด พรุ่งนี้ไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่เราไปเยี่ยมไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยคือการสร้างบรรยากาศความสงบนี่ก็<ม>อ อ, อาจจะหมายถึงการจัดสิ่งแวดล้อมให้ดีที่ไม่มีเสียงอึกระทึกครึกโครมไม่มีคนมาร้องห่มร้องไห้<ม>นะสำคัญที่สําคัญ<ม>คแต่ว่าอันนี้มันก็ถ้าเป็นชาว บ, บ้านนี่ก็อาจจะไม่ชอบสงบมากๆก็ได้ชอบความพลุกพล่านสักหน่อย ต้องอดูเจอริดเขาด้เออเวลาชาว บ, บ้านเนี่ยนะเขาถ้ามีลูกหลานมีคนมาห้อมล้อมนี่ชอบชอบนะจะมาสงบแบบเ อ, อแบบคนในเมืองเขาอาจจะไม่ชอบนะ อ, อันนี้ก็ไม่เป็นไรแต่ว่าถ้ามถ้ามีคนช่วยเขาน้อมจับน้องจิตไปสู่ความสงบได้จะดีคราวนี้เรื่องเก่าครับอําลานเนี่ยออทําได้ทุกเวลาหมายถึงว่าไม่ใช่รอให้เขาหมดหมดสติก่อนเออ่ ในยามที่เขารู้สึกตัวเนี่ยเป็นโอกาสที่ดีที่เราจะได้พูดถึงความในใจถ้าเกิดว่าเรารู้ว่าระยะของโลกเนี่ยเขาจะอยู่ได้ไม่นานนะการที่คนที่ยังอยู่เนี่ยนะมาพูดกับเขาอาจจะพูดข้างๆหูพูดถึงความสึกชื่นชมในความดีที่เขาได้ทำ ในช่วงเวลาที่ผ่านมาแล้วก็ได้ขอเข้ามาขอโอสิแล้วก็ได้น้อมนำเขาให้นึกถึงสิ่งที่ดีแล้วก็บอกทางหราต้อ ง, งปล่อยวางอันนี้เนี่ยเราสามารถที่จะพูดทีเดียวพร้อมๆกันไปเลยได้นะแต่คนนี้เนี่ยบางคนก็ลังรอไม่กล้าพูดจนกระทั่งเขาหมดหมดส ต, ต, ติไปอาตมาก็คิดว่ายัางไม่สายแม้ว่าเขาจะโคม่าแล้วเนี่ย คืออย่าลืมนะว่าคนที่เขาโคม่าเนี่ยเายังรับรู้ได้มีหลายคนที่ตื่นจากโคมา่าเขาบอกว่าเขาได้ยินเสียงคนพูดหมอพยาบาลพูดอะไรเขาได้ยินมีบางคนเนี่ ย, ยมีรายนึงเนี่ยนะเห็นด้วยซ้ำผู้จะหยุดเต้นกระทันหันหมอก็คนก็รีบพาส่งโรงพยาบาลก็มีการจะช่วยช่วยหายใจใช่ไหพยาบาลก็ เอาเอ า, เอาเครื่องช่วยหายใจเนี่ยเอาท่อช่วยหายใจเนี่ยใส่เข้าไปในปากเขาเขามีฟันปลอมอยู่เขาเอาฟันปลอมออกใช่ไหมแล้วก็สามารถช่วยชีวิตเขาได้หัวใจเขาก็กลับฟื้นขึ้นมาเขารักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลหนึ่งอาทิตย์เสร็จแล้ววันหนึ่งเนี่ยพยาบาลที่ถอดฟันปลอมเขาเนี่ยเดินผ่านมาเขาทักว่าคุณทําไมที่ถอดฟันปลอมผม ทางทางที่หลับตาเนาะเขาาไปตอนนั้นเขาไม่รู้กตัวเขาโคม่าหัวใจอยู่เต้นแล้วไงพยาบาลก็งงว่าคุณรู้ได้ยังไงเขาบอกเขาเห็นอแต่ว่าเห็นด้วยอะไรตาก็ปิดใช่ไหมเจ้าค่ะสมองก็ตอนนั้นก็ถ้าจะไม่ไม่ทํางานแล้วนี่คนที่คนที่เขาโคม่าเนี่ยเขาสามารถเห็นได้แล้วบางทีรู้สึกเจ็บด้วยยังมีคนนึก็เป็นผักแกเกิดเรียกว่าเกิดสโตรกก็คือว่าเซลล์ แกในสมองแตกใช่ไหมก็เป็นผักเพราะว่าสมองมันไม่ทำงานใช่ไหมสองข้างเลยหมว่าเ็เป็นผักหมอเนี่ยหมอนี่ก็คือแบบทำอะไรก็อ่อนเปรี้ยไปหมดยกอะไรไม่รู้สึกตัวไม่รู้สึกตัวเลยนะมันเขาเรียกเป็นเขาเรียกเป็นภาวะที่เป็นผักนะมีผักแบบสองแบบคือแบบอุบัติเหตุนะหรือไม่ก็อยู่ที่ก็เสื่อมในสมองแตก หมอนี่ก็บอกว่าโอกาสแล้วโอกาสที่เขาจะหายโอกาสที่จะอยู่รอด น, นี่ยากแต่ว่ายังไงก็ตามเขาก็จะได้รับการรักษาในในสถาบันทางทางภาษาวิทยานะหมอที่มาตรวจเนี่ยมีคนก็มามาทดสอบว่าเขารับรู้ไหมก็ม า, บ, บ, ม า, าบีบหัวไม่เทา้าเขาบีบหัวไม่เท้าเขาบอกตอนนั้นเขารู้สึกปวดมากเลยใช่เป็นวิธีทดสอบอ ทดสอบระบบประสาทบอกเขาปวดมากแต่เขาพูดไม่ได้เขาอยากจะตะโกนให้บอกบอกหมอว่าหยุดให้หยุดใช่ไหมแต่ว่าเขาจะมีวิธีทดสอบความปวดเพราะว่าถ้ามีความเจ็บปวดเวลาทดสอบมันจะได้มีปฏิกิริยาที่เขาจะประเมินสภาวะใช่ได้ใช่แต่ว่าหมอเห็นว่าคนไข้นี้เขาไม่ตอบสนองก็เลยบอกว่าเนี่ยเนี่ยนี่คือเขาอยู่ในโพสที่เป็นผักใช่ไหมแต่เขาในสุดเขาลองชิมมันได้เขาก็ไลฟ์ฟังว่า ตอนนั้นก็ปวดมากเราะฉะั้นคนที่เป็นอยู่ในภาวะโค ม, ม่าเนี่ยนะเขาเห็นเขาได้ยินเขารู้สึกได้เพราะเราอย่าเราจะอย่าไปนึกว่าเขาเป็นหุ่นที่เขาไม่รับรู้อะไรเรายังสามารถสื่อสารกับเขาได้พูดความในใจกับเขาได้บอกทางเขาได้หรือว่านำนำทางเขาไปสู่ความสงบก็ได้นะเพรานัมาคิดว่าตรงนี้เนี่ยถึงแม้เราอาจจะกล่าวควาอำอําลาตอนที่เขารู้สึกตัวไม่ทัน แต่ว่าก็ยังพูดกับเขาได้ตอนที่เขายังไม่ทำหมดลมแ ล, แล้วถ้าเชื่ออย่างนี้ถ้าสมมุติว่าตายไปแล้วแล้วเราก็ไปที่ที่กราบศพแล้วเราก็พูดอย่างนี้ได้ไหมเ้าค่ะพูดว่าอะไรก็อย่างนี้เหรอคะอ๋อได้ได้ได้ไ ด, ได้แล้วก็อาจจะคือถ้าเชื่อแบบที่เบตนี่นะคือเขายังไม่ได้ไป ไปเกิดผู้ง่ายๆเนี่ยยังอยู่ในภาวะที่เราอันตรับพบคือพบในระหว่างระหว่างพบที่แล้วกับพบหน้าะะนะโดยเฉลี่ยประมาณ49เาวัน้นเขายังมีมีโอกาสรับรู้ได้แล้วแล้วต้องพูดบอกเป็นเสียงหรือว่าพูดในใจได้พูดในใจก็ได้น ะ, ะพูดในใจก็ได้ หรือว่าน้อมนึกถึงเขาพูดถึงเขาแล้วก็อาจจะช่วยบอกเขาด้วยกระดาว่าให้เขาปล่อยวางอืงนะปล่อยวางสิ่งต่างๆเพราะบางทีคนที่ตายเนี่ยตายด้วยโดยที่ไม่ทันได้เตรียมตัวเนี่ยก็ยังมีความห่วงหาอะไระะแล้วก็บางทีอาจจะยังบางคนที่ตายใหม่ๆอาจจะยังไม่รู้ด้วยซ้ว่าตัวเองตายนะบางคนไม่ทันตายเลยแต่ว่า จิตเริ่มแสดงการแล้วยังมีรายหนึ่งเนี่ยที่โรงพยาบาลตะคอปฐมเล่าให้ฟังคนไข้คนหนึ่งอายุสักหกสิบได้ทมา ก, ก็ไปเจอเหมือนกันเออแกป่วยหนาโอ้ยนะพังงาพังงาอยู่นี่ย แ, แกเนี่ยเป็นเออแต่ว่าแกเป็นคนที่ที่ที่ค่อนข้างจะหวงเหนียวเรื่องเงินอืแกให้เงินกู้ให้เงินยืมแบบค น, ลนปลน่ย อ, อยแล้วแกไม่ปล่อยวาง รบอกว่าไอ้ตอนที่แกพังงาพังงามเนี่ยเพื่อนบ้านเนี่ยเออเพื่อนบ้านเห็นแกมาทวงตามไปถึงบ้านเลยเพื่อนบ้านเห็นมาแกมาทวงเขาก็นึกว่าเอ้ยคงตายแล้วมั้งถึงมาทวงอ่ะก็รีบมาที่โรงพยาบาลก็เลยมาโทรมาเช็กคนป่วยยังพังงาพงาอยู่เลยออแล้วเวลาหมอนี่บอกให้ปล่อยวางเรื่องนี้น่ยแกเครียดขึ้นมาเลยอเครียดขึ้นมาเลยคือ ครันี่ไอ้เงินที่ให้ยืมมันสิบปีมาแล้วนะอยังอยังยึดอยู่เนี่ยคือคนร้อนที่ถ้ายังกลวถ้ายังไม่รู้จักปล่อยวางนะโอ้คุณทุกข์นะจะกลายเป็นตุ๊กแกจิ้งจกติดอยู่ที่บ้านเขาใช่อันนี้ไม่ว่าจะเชื่อเรื่องชาติย่งหรือไม่ไม่เชื่อก็ตามเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยคุณจะตายแล้วคุณคุณจะตายอย่างสงบเนี่ยปล่อยวางนะแต่ถ้าเกิดว่าคนร้อนเนี่ยสะสมความตหนีทีเหนียวไว้เนี่ยมันเป็นนิสัยที่ปล่อยวางไม่ได้ มันเป็นนิสัยที่เข้ามาครอบงำจิตใช่ไหมเจ้าตัวอยากจะปล่อยมันก็ปล่อยไม่ได้เพราะว่ามันมันกลายเป็นนิสัยมันก็มือที่เราชอบกำเนี่ยกำอยู่เรื่อยๆเนี่ยถึงเวลานี้มันกําเองโดยที่เราไม่รู้ตัวอแล้วเราจะปล่อยมันก็ไม่ยอมปล่อยใช่ไหมไอ้นี่ยตรงนี้เนี่ยก็ต้องก็ต้องก็ต้องฝึกให้รู้จักปล่อยรู้จักวางอย่าไปยึดติดมันเวลาตายแล้วก็ต้องแบ่มือออกเอนั่นแหละก็ แต่คนอื่นี้ไม่เข้าใจไงว่าแบรนด์มือนี่คืออะไรค่ะโครงการนี้อบรมไปได้ได้กี่รุ่นแล้วเจ้าคะเป็นร้อยได้อย่างเจ้าคะไม่ถึงหรอกเราก็อบรมทุกปีปีนีงก็สิบสอรุ่นนะอ๋อปีหนึ่งก็12รุ่นไม่เยอะหรอกเพราะว่าเราเราแต่ก็สร้างคนได้หลายร้อยเจ้าคะ่ะก็ไม่ก็ถ้าจะดูดูกันครั้งหนึ่งก็ประมาณสาสคนคนซ้ำๆมาไหมคะก็ไม่ๆ ต้องเป็นคนใหม่เท่านั้นที่จะเข้าอแต่เรามีเรามีมีจัดอบรมรุ่นสองก็จะยากขึ้นยากขึ้นก็ฝึกปฏิบัติให้มากขึ้นคือแสดงว่าจะมีคอสที่หนึ่งนั่นในกรมแล้วก็กลุ่มพวกนี้ขนกลางอ๋อจ้าค่ะแต่ขั้นกลางนี่ปีละครั้งปีละครั้งสองครั้งแต่ส่วนใหญ่เนี่คนต้องการขั้นต้นก็จัดงี้มาจัดทุกเดือนงี้มา สปีแล้วแต่ก่อนนี่จัดสอเดือนครั้ง3เดือนครั้งเจ้ค่ะแต่เป็นวันเลิกจัดปัญหาอุปสรรคมีไหมคะก็ปัญหาคือวิทยากรไม่ไม่ไม่ค่อยพอเพียงแกความต้องการคือยังไงก็พระอาจารย์แล้วก็มีมีมหมอแล้วก็มีพยาบาลแล้วก็มีผู้ดำเนินรายการอ๋อตอนนี้ครั้งนี้เจอพระอาจารย์ไหมเจ้าค่ะเจอแต่ว่าตอนนี้ตอนนี้เราเริ่มมีมีมีทีม A ทีม B แล้ว เพราะว่าเพราะว่าวิทยากรนี่เป็นที่ต้องการการอบรมนี่อหลายโรงพยาบาลก็อยากให้เราไปจัดใช่ค่ะไปจัดที่โรงพยาบาลเลยแล้วถ้า <c oughs> ถ้าไม่เป็นโรงพยาบาลนะคะถ้าเป็นสถานที่ชมรมอะไรสักชมรมก <c oughs> ็ได้ <c oughs> แล้วก็ติดต่อมาที่เว็บเว็บดอทอะไร Budnet.info ไปที่นี่ก็ได้หรือว่าโทรไปที่ 02-3147385 ที่เขาเรียกเสมสิษฐาไหร่หรือเศมมะเสมสิษฐาไหร่เสมสิษฐาไหร่ตรงนี้ก็ก็จะรู้ว่าเขามีอะไรกันช่วงไหนหรือถ้าจะจัดเป็นพิเศษนี้ก็ต้องนัดเวลาซึ่งอาจจะเป็นหลายเดือนเพราะว่าตอนนี้ คิว น, นี่แน่นก็นทั้งปีแล้วเพราะฉะนั้นปีหน้าปีหน้าที่จะถึง5้หนึ่งนี่ก็ก็ยังว่างอยู่ไม่ยัวงว่างหรอเจ้าค่ะถ้า <c oughs> อ, อย่างนั้นก็แต่ว่าบางทีเราก็เราก็มีจัดจัดเสริมนะอันนี้ทีมดีได้มาเข้ามาแล้วทีมบีนี่มีพระพระอาจารย์ไหมเจ้าค่ะก็มีแล้วก็มีมีมีมวิทยากรใหม่สองสามคนเอาเอาจากคนที่เข้าอบรมแล้วก็ไปไปถึงคอร์สคอร์สที่ไปถึง ที่สุดท้ายที่พระอาจารย์เห็นว่ากลุ่มพวกนี้แหละเอามาสอนได้ก็ตอนนี้ก็เริ่มแล้วเริ่มแล้วเริ่มจะหาวิทยากรเข้ามาเจ้ค่ะตอนนี้เนี่ยโครงการประชุมความตายสงบเนี่ยเราก็กิจกรรมหลักก็มีเรื่องการอบรมใช่ไหมฮะค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็เริ่มขยายออกมาเป็นเรื่องของการการหาสาสมัครข้างเตียงอาสาสมัครข้างเตียงตอนนี้เราก็ร่วมกับโรงพยาบาลจุฬา เข้าไปสมัคตยังไงเจ้าค่ะก็ผ่านทางเว็บไซต์ก็เข้าทางนี้เหมือนกันควรผ่านการอบรมด้วยใช่ต้องต้องผ่านคือถ้ายังไม่เคยอบรมแต่อยากเป็นอาสาสมัครก็เข้าไปที่นี่ก่อนได้แล้วก็เขาก็จะมีการอบรมพิเศษของเขาเองต้องเสียค่าใช้จ่ายไหมเจ้าค่ะไม่เสียไม่เสียเพราะว่าอาสาสมัครนี้มาด้วยมาด้ใจอยู่แล้วอาจจะเสียอาจจะเสียค่าเดินทางเขาเองไปเยี่ยมผู้ป่วยใช่ไหมเจ้าค่ะเราจะมีจัด อาสาสมัครข้างเตียงนี่ตอนนี้มีรุ่นเป็นรุ่นที่สามแล้วโอนะได้ไปกี่คนคะ2 2> ก็ประมาณยี่ิคนนะ้ครั้งหนึ่งไม่ได้ไม่เยอะเท่าไหร่เพราะว่าต้องการต้องต้องการติดตามคุณภาพด้วยก็รุ่นหนึ่งอยู่ประมาณสามเดือนสามเดือนซึ่งหลายคนก็พอใจทั้งคนไข้แล้วก็ทั้งอาสาสมัครคือบางทีหมดรุ่นแล้วเนี่ยเสร็จเสร็จ เสร็จโครงการแล้วก็ยังไปติดต่อยังติดต่อไปช่วยกันอยู่แล้วตนี้ต้องยอมเสียเวลาสามเดือนสามเดือนนี่ทุกวันไหมเจ้าคะ่ะอาจะาที่ละคระครั้งสองครั้งแลอกที่เหลือก็เป็นความความสมัครใจของอาสาสมัครอนะอันนี้เราก็ก็เริ่มทำส่วนหนึ่งของผู้ป่วยเนี่ยคือเด็กแลก็มีแผนกเด็กของโรงพยาบาลจุฬาเด็กที่ป่วยหนักก็มีอาสาสองไปเยี่ยม หือไปช่วยทํากิจกรรมสำหรับเด็กเช่นศิลปบําบัดอให้เด็กก็ได้มีดนตรีบําบัดด้วยก็ก็ของพระอาจารย์ก็มีใช้ตรงนี้ก็มีมีบ้างแต่ว่าจะหนักทางด้านศิลปะบําบัดเป็นยังไงคะให้เขียนให้ว่าเด็กเขได้ว่าอได้เด็กขาว่าเขาว่ารู้อาจารการว่ารุ่นเนี่ยเป็นเครื่องฝึกสมาธิของเด็กแล้วเขาก็ได คนเราได้สร้างสรร์เนี่ยไม่เบื่อไงพวกนั้นให้ใช้สีน้ําหรือสีอะไรเจ้าคะ่ะสีอะไรก็ได้ที่เขาต้องการแล้วแต่เขาต้องการ แ, แต่ขอให้มีการถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกออกมาในใ<ช> ง, งานตรงนั้นแล้วทำให้เขาได้สร้างสรร์เจ้าค่ะใช่ไหมคนเราถ้าได้สร้างสรรค์อะไรบางอย่างเนี่ยที่เขาจะมีความสุขใช่ไหมก็เป็นมันก็คัปบี้เป็นงานอนดิเรก ข, ของเขาเจ้าค่ะแล้วก็เป็นการสร้างสมาธิให้กับเขาด้วยไปในตัวด้วย แล้วนอกเหลือจากกิจกรรม2อย่างนี้แล้เจ้าคะเรามีการสร้างเรามีการทําโครงการสร้างเครือขา่ยอ า, า, ยอขายช่วยเหลือผู้ป่วยระยะสุดท้ายเครือข่ายช่วยเหลือผู้ป่วยระยะสุดท้ายเนี่ยก็มีหมอมีพยาบาล น, นักสังคมสงเคราะห์แล้วก็มีพระจากหลายที่เนี่มาร่วมกันเป็นเครือข่ายประชุมกันทุกสองเดือนแล้วก็เป็นการพัฒนาองค์ความรู้และประสบการณ์ เพราะแต่ละคนก็มีงานในพื้นที่ทำก็มาแล้วก็ได้เรียนรู้คุยกันในหัวข้อต่างๆเช่นการสื่อสารกับผู้ป่วยที่สุดท้ายนะเรื่องของการใช้ศิลปบำบัดในการยียยาผู้ป่วยซึ่งตอนนี้เนี่ยไอยความรู้หรือประสบการณ์เรื่องแบบนี้เนี่ยมันยังไม่เผยแพร่เท่าไหร่เราต้องการเผยแพร่แล้วก็สะสมพัฒนาขึ้นมาแล้วก็ระวังว่าต่อไปเนี่ยมันจะนาไปสู่การ บรรจุเข้าไปในหลักสูตรนักศึกษาแพทย์เพราะตอนนี้เนี่ยนักศึกษาแพทย์เนี่ยไม่ไม่รู้เรื่องพวกนี้เลยนะทั้งที่ตัวเองต้องเกี่ยวข้องกับความตายของคนไข้ของพยาบาลมีเจ้าค่ะมีใช่ไหมเจ้าพยาบาลมีค่ะการใหพยาบาลผู้ป่วยมีใช่ออมมีแต่แพทย์นี่ยังไม่มีนะอเมบนนาเชื่อเพราะนั้นการสื่อสารกับผู้ป่วยเนี่ยสุดท้ายถึงแพทย์ถึงไม่ค่อยไม่ค่อยได้ได้ได้ดีเท่าไหร่ ตอนนี้เนี่ยเราก็กลังพยายามผักดันเข้าไปค่ะซึ่งอ า, อาจจะต้องค่อยๆๆไปเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยเขาก็บอกว่าเวลาก็แน่นอยู่แล้วเวลาดีโอ้แต่เรื่องนี้สําคัญสําคัญมากเลยนะคะมไม่มีใครหมอทุกคนก็อยากให้คนไข้าหายแต่สุดท้ายนะ่ะมันไม่หายมันก็ต้องไปทางเนี้แหละค่ะ <c oughs> ต้องตายอ่ะกลายหายใช่ถ้าถ้าคุณยอมรับไงฮะว่าจะส่งเข้าไปยังไงตรงนี้นะสำคัญมากค่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะก็เวลารบควรของพระพระอาจารย์มาค่อนข้างเยอะมากจริงๆเนื้อหาเนี่ยพวกพวกเราเนี่ยอย่างสัมภาษณ์เนี่ยทั้งทีมงานเลยบอกนั่นก็ถ้าการสัมภาษณ์ครั้งนี้นะคะดิฉันหรือทีมงานเนี่ย อาจจะมีคําพูดบางอย่างหรืออะไรนะคะไม่ว่าจะเป็นทางกายทางวาจาหรือใจเนี่ยอาจจะล่วงเกินพระอาจารย์ก็ต้องขอกราบขอขมาพระอาจารย์ด้วยนะเจ้าค่ะจนพอเขาขออนุโมทนาที่ได้นําออกประเด็นนี้ซึ่งเป็นประเด็นสำคัญนี่มาพูดคุยแล้วก็เผยแพร่ให้กับคนทั่วไปอัตมาก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ได้เรียนรู้เหมือนกันนะเวลาการมาจับอบรมแบบนี้เนี่ย ไม่ใช่ไปเผยแพร่ให้คนหนึ่งก็ได้เรียนรู้อย่างเดียวตัวตวมาก็ได้เรียนรู้เพราะคิดว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องพัฒนาแล้วก็นำประสบการณ์ไปช่วยให้เกิดประโยชน์แล้วก็ขอโน้มนาทางสถานีวิทยุด้วยที่ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้แล้วก็หวังว่าที่พูดมาก็จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ฟังพอสมควรไม่พอสมควรจะทำม า, ากเกินไปค่ะก็ ถ้าจริงๆแล้วเนี่ยพระอาจารย์ยังบรรยายธรรมในหัวข้อต่างๆไม่เฉพาะเรื่องความตายเท่านั้นนะคะถ้ามีโอกาสหน้าก็คงเรียบร้อยจรับความกรุณาจาก พ, พระอาจา <S <S> รย์ <พอ S 2> มาให้ธรรมะเป็นทานกับพวกเราอีกครั้งนะคะก็วันนี้เนี่ยถือว่าเป็นวันที่ร่มเย็นที่สุดจริงๆของสถานีวิทยุสังฆทานธรรมที่มีโอกาสสัมภาษณ์พระอาจารย์ภสารวิสาโลนะคะก็ขอให้เรื่องดีๆ ที่รับจากการฟังและสนทนาธรรมในครั้งนี้ก็ให้เจริญให้ความเจริญทางปัญญาก็มังเกิดกับท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะและถ้าท่านผู้ฟังต้องการติชมรายการก็ข อ, อแนะนำมาได้ที่สถานีวิทยุสังคธานธรรมวัดสังคทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบรุรีรหัสไปรษณีย์หนึ่งหรือโทรมาที่ 02443 0341-2 ได้นะคะพบกับรายการธรรมะจัดสรรช่วงสนทนาธรรมใต้ร่มโบได้ในทุกวันจันทร์ถึงวันพุธช่วงเย็นๆนะคะตั้งแต่เวลา18นาฬิกาถึง19นาฬิกาโดยประมาณสำหรับวันนี้ดิฉันแล้วก็ทีมงานขอกราบนมัสการลาวพระอาจารย์สวัสดีกับท่านผู้ฟังทุกท่านวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ ุ่วงสนทนธรรมเรลลโพในวันนี้ก็ได้หมดเวลาลงแล้วนะคะขอเชิญติดตามรับฟังได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะช่วงข้อคิดสกิดใจ พญามัจจุราชบุญนั้นแหละจะหนีความตายพ้นพญามัจจุราชไม่เห็นและตามไม่พบซึ่งผู้ตัดโลภโกรธหลงถ้าคนเรายังมีความโลภโกรธหลงมาก พยามัจุราคือความตายก็มองเห็นทุกเวลาเราจึงต้องรักษาศีลฝึกสมาธิพยายามเข้าหาธรรมฝึกจิตใจให้สงบให้รู้จักหลีกเลี่ยงทางที่ไม่ถูกต้องเมื่อเราทำจิตใจให้ดีได้แล้วก็พ้นทุกพ้นสงพ้นโรค ุนไผคติธรรมคำสอนหลวงพ่อสนองกระตะพุงโยจากหนังสือเตรียมใจไว้ก่อน